ก็จะไปสัก ไปซาอุกไม่รู้ใครยุ่ว่าเป็นแหล่งคุท ธ, ธาไปจริงๆเิงเซตมากองดองไปเดินย่อมยมเก็บเซตกระดาษเอกอ่ะก็จะไป ก็จะไปซา